ตอนที่ผ่านมาได้พันานาการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานที่มีนัยยะแห่งธรรมะและปัญหาต่างๆกันตามภูมิและนิสัยของแต่ละท่านพอสรุปได้ว่าความหายสงสัยปัญหาภายในใจอันเกิดจากการวินิจฉัยได้เองหนึ่งเกิดจากการสนทนาการโดยมีครูอาจารย์เป็นคู่สนทนาด้วยหนึ่งเกิดจากการฟังขณะท่านแสดงธรรมอบรมหนึ่ง การสนทนาธรรมระหว่างกรรมฐานด้วยกันเป็นไปอย่างเงียบๆถ้าเทียบกับสภากรรมฐานก็คือสภาหนูเราดีๆนี่เองมิใช่สภาแมวอะไรเลยแต่การสนทนาธรรมกันท่านถือเป็นสำคัญและเป็นคู่เคียงกับการปฏิบัติฉนั้นพระกรรมฐานจึงมีการสนทนากันอยู่เสมอจนปัจจุบันทุกวันนี้ จวนวาระสุดท้ายแห่งปฏิปทาจึงขอกล่าวถึงพระอาจารย์สําคัญอีกองคหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นบางเล็กน้อยเพื่อเป็นอนุสอ์นุตริยะแด่ท่านที่ไม่เคยผ่านประวัติท่านคือพระอาจารย์พรมท่านอยู่วัดบ้านดงเย็นอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่เพิ่งมรณาภาพไปเมื่อเร็วนี้ผู้เขียนก็ได้อ่านประวัติย่อที่พิมพ์แจกในงานศพท่านเหมือนกันแต่หลงลืมไปบ้างแล้ว ทางวัดได้ถวายเพลิงท่านเมื่อวันที่หมีนาคมพุทธศักราชสองพท่านมีประวัติย่อประจาองค์อยู่แล้วแต่ที่มาเขียนซ้าอีกเล็กน้อยนี้เพื่อท่านที่ยังไม่ได้รับหนังสือนั้นจะพอมีทางทราบได้บ้างว่าท่านเป็นพระเช่นไรมีระบุนามท่านนี้เพราะประวัติท่านได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วจึงคิดว่าน่าจะไม่ขัดกันกับที่เขียนผ่านมา ซึ่งมิได้ระบุนามท่านองค์อื่นๆแต่การเขียนนี้จะไม่ขอกล่าวความเป็นมาแห่งคารวาสของท่านจะนำมาลงเฉพาะที่จําเป็นและปฏิปทาที่เกี่ยวกับนักบวชท่านเท่านั้นก่อนบวชทราบว่าท่านประกาศความใจบุญอันกว้างขวางแก่โลกให้คนแถบนั้นทราบโดยทั่วกันว่าท่านประสงค์จะสละทานในบรรดาสมบัติที่มีอยู่ทั้งสิน้น ทั้งที่มีวิญญาณและหาวิญญาณมิได้จนหมดสิน้นแล้วท่านและสีภรรยาคู่บรารมีได้ออกบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายให้ทันในชาตินี้ไม่ขออยู่ในโลกเกิดตายให้เนิ่นนานต่อไปท่านผู้ประสงค์การสงเคราะห์โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆกรุณามารับทานนี้ไปเป็นสมบัติอันชอบธรรมของตนภายในกำหนดที่กำลังประกาศนี้ ทราบว่าท่านประกาศให้ทานอยู่หลายวันประชาชนผู้ยากจนต่างๆจึงพากันหลั่งไหลมารับทานเป็นจํานวนมากจนวัตถุทุกประเภทหมดสิ้นไปภายในไม่กี่วันทั้งนี้เนื่องจากท่านเป็นผู้มีฐานะมั่นคงมั่งมีสมบัติมากในแถบนั้นเพราะท่านเป็นพ่อค้าสารพัดอย่างแต่ไม่มีลูกหญิงชายเป็นของตัวนับตะวันแต่งงานกันมามีเฉพาะสีภริยาและเหล่าหลานญาติมิตรบ้างเท่านั้น ซึ่งต่างยินดีในการสละทานเพื่อความออกเป็นนักบวช ด, ด้วยกันเมื่อการให้ทานเสร็จสิ้นลงแล้วทั้งสองคนต่างแยกทางกันเดินท่านเองก็ออกบวชเป็นพระธุดงคกรรมฐานมุ่งหน้าต่อท่านพระอาจารย์มั่นเป็นที่ฝากเป็นฝากตายในชีวิตพรหมจรรย์ส่วนศีภริยาก็ไปอีกทางหนึ่งเพื่อบวชเป็นชีมุ่งหนีสงสารสมความปณิธานที่ปรารถนาไว และดํารงตนอยู่ในเพศพรหมจันทร์จนอวสานแห่งชีวิตมิได้เอ็นเอียงวันไหวต่อโลกามิตรใดๆทั้งสิน้นซึ่งควรเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีเฉพาะท่านอาจารย์พรหมตอนบวชที่แรกยังไม่สมความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ต้องไปอาศัยท่านพระอาจารย์สารเป็นผู้พาอยู่อบรมไปก่อนจนกว่าโอกาสจะอำนวยจากนั้นจึงได้เที่ยวไปทางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสแสวงหาท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเวลานั้นท่านพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในยะว่าท่านอาจารย์พร om นี้ได้เที่ยวไปนิี่ต่างๆจนถึงประเทศพมา่าและพักอยู่หลายเมืองด้วยกันมีท่านอาจารย์ชอบซึ่งมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาหารชนิดถึงไหนถึงกันแบบเพชรน้ำหนึ่งเป็นหัวแหวนในวงเดียวกันเป็นเพื่อนเดินทางเรื่องเหล่านี้ท่านอาจารย์พร om เคยเล่าให้ผู้เขียนฟังเหมือนกัน แต่หลงลืมไปบ้างแล้วมีปรากฏเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยที่ได้นำมาเขียนนี้เท่านั้นผิดพลาดจึงขออภัยด้วยท่านมีเรื่องแปล ก, ปลกและอัศจริ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกอยู่มากทั้งในและนอกประเทศแต่จะขอผ่านไปปังแล้วทั้งหน้าสงสารทั้งหน้าตื่นเต้นเพลิดเพลินและน่าอัศจริในความเป็นนักต่อสู้และความรู้ความเห็นของท่าน ในการบำเพ็ญและการเดินบุป่าฟาดงไปในที่ต่างๆที่ปราศจากบ้านเรือนผู้คนในเวลาเช่นนั้นมีแต่ความอดอยากทรมานมากกว่าความอิ่มกายสบายใจทันว่าบางวันก็พบหมู่บ้านและได้บินทบาทมาฉันพอประทังชีวิตบางวันก็ยอมอดยอมทนต่อความหิวโหอยอ่อนเพลียเพราะหลงทางทั้งนอนค้างอยู่ในป่าในเขา เฉพาะเวลาไปเที่ยวประเทศพมา่านั้นท่านว่าลำบากมากในเวลาเดินทางเพราะทางที่ไปมีต่ป่าแต่เขาซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์เสือนาน า, นาชนิดบางครั้งต้องปรงอนิจังต่อความเป็นอยู่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานซึ่งสุดแสนจะทนได้และมีชีวิตสืบต่อไปในวันข้างหน้าขณะนั้นปรากฏว่าอะไรอะไ ร, ะไรภายในตัวราวกับจะสุดสิ้นลงพร้อมในเวลาเดียวกัน ลมหายใจก็เหมือนจะขาดความสื่อต่อลงไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งในบรรดาเหตุทั้งหลายที่เป็นเครื่องกดทวงทรมานร่างกายและจิตใจแต่ก็พอทนต่อไปได้ตามเหตุการณ์และวันเวลาที่ผ่านไปการบำเพ็ญทางจิตท่านก็มีกำลังก้าวหน้าและเป็นที่แน่ใจตัวเองก็ตอนที่ไปถึงท่านอาจารย์มั่นรับการอบรมโดยสม่ำเสมอเรื่อยมา บางปีท่านเมตตาอนุเคราะห์ให้จำพรรษาด้วยและมีการเข้าๆออกๆ อ, อ, อยู่เสมอคือออกเที่ยวบำเพ็ญในสถานที่ต่างๆ ต, ตามอัธยาศัยเมื่อเกิดปัญหาข้องใจก็เข้ามารับการศึกษาอบรมกับท่านเป็นระยะไปสมัยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ทราบว่าท่านบำเพ็ญอยู่ที่เชียงใหม่อีกหลายปีแล้วจึงได้ตามท่านอาจารย์มั่นกลับไปจังหวัดสกล น, นคร ท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้มีนิสัยเคร่งขรึมและเด็ดเดี่ยวมากสมที่สละสมบัติอันมีค่าออกบวชจริงๆจึงขอสรุปผลแห่งการปฏิบัติที่ท่านได้รับเป็นที่พึงใจว่าท่านได้สมบัติอันล้นค่ามหาสัจ ร, รั์ที่จังหวัดเชียงใหม่ในเขาลึกกับคนชาวป่าตามที่ท่านเล่าให้ฟังถ้าจาไม่ผิดแต่จาไม่ได้ว่าเป็นหมู่บ้านอะไรเขาลูกใดและอำเภอใด ที่นั่นแหละเป็นที่ปลดเปลื้องภาระแห่งวัตตะวลภายในใจออกได้โดยสิ้นเชิงเมื่อท่านอาจารย์มั่นกลับไปจังหวัดสกลนครได้หลายปีแล้วท่านจึงได้ตามท่านไปราวพุทธศกราช2486และจำพรรษาอยู่ที่วัดสุทาวาดจังหวัดสกลนครจากนั้นท่านจึงได้หวนกลับมาสร้างวัดที่บ้านดงเย็นอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอันเป็นภูมิลาเนาเดิม และได้มรณะภาพลงที่นั่นดังที่เขียนผ่านมาแล้วเมื่อถึงวันงานถวายเพลิงศพท่านบรรดาพุทธบริษัทนักแสวงบุญทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลตลอดชาวนครหลวงก็อุตส่าห์สละเวลาไปเป็นจำนวนมากแม้พี่น้องชาวเชียงใหม่ก็ยังอุตส่าห์ไปกันทุกทท่านที่ไปมิได้คำหนึ่งถึงความลำบากและสิ้นเปลืองใดๆเลย มุ่งแต่ความสมหวังดังใจหมายในงานโดยทายเดียวฉะนั้นวัดที่ตั้งของงานแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลในยามปกติธรรมดาแห่งสายตาคนทั่วไปแต่ก็ได้กลายเป็นวัดที่คับแคบแออัดขึ้นมาในเวลานั้นเพราะผู้คนพระเนนจำนวนมากต่างลังไหลกันมาในงานท่านแม้เช่นนั้นก็มิได้เป็นความเอกเกลื่อนวุ่นวายแก่งงานแต่อย่างใดเลย เพราะต่างท่านต่างมาด้วยจิตผ่องใสใจศรัทธาไม่ได้มาด้วยความหวังอย่างอื่นที่อาจเป็นอันตรายแก่งานและประชาชนที่มาในงานได้ตอนกลางคืนของงานคณะกรรมการวัดได้จัดให้มีการอบรมกรรมฐานตลอดรุ่งโดยขออารัธนาพระอาจารย์กรรมฐานผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอง์แดงด้วยปกินอกะศธรรมบ้างด้วยสมาธิธรรมบ้าง ด้วยปัญญาธรรมบ้างสับป่นกันไปเพื่อประโยชน์แก่ท่านที่เป็นนักบวชฝ่ายธุดงคกรรมฐานซึ่งนานๆจะได้มีโอกาสมาฟังกันบ้างเพื่ออุบาสกอุบาสิกาที่สนใจธรรมะปฏิบัติบ้บางเพื่อสาธุชนทั่วๆไปบ้างการถวายเพลิงจริงท่านเริ่มเวลาประมาณสี่ทุ่มของคืนวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2514 ขณะประชุมเพลิงนั้นมีประชาชนพระเนรมาแสดงธรรมสังเวทเป็นจำนวนมากมายต่างท่านต่างมีท่าอันสงบงามตาอย่างยิ่งราวกับต่างระลึกรำพึงถึงพระคุณและความดีงามท่านอาจารย์พรมผู้เคยบาเพ็ญมาด้วยความกล้าหาญชาญชัยและความเสียสละทุกอย่างไม่อะไรเสียดายและเคยประสิทธิ์ประสาน ธ, ธรรมะแก่บรรดาสิทธิ์ทั้งบรรพชิตและขหัสหญิงชายไม่มีประมาณ แล้วได้จากไปตามกฎอนิจจังและไม่มีใครแม้มีความเคารพรักเลื่อมใสท่านอย่างสุดจิตสุดใจจะช่วยต้านทานไว้ได้สักรายเดียวบางท่านที่ไม่เคยพบเห็นท่านมาก่อนอาจคิดไปในแง่กฎอนิจจังอันเป็นธรรมะสอนโลกและสอนตนมากกว่าจะคิดถึงแง่แห่งคุณธรรมท่านขณะที่กำลังถวายเพลิง ในบริเวณเมนจะมีเฉพาะคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ต่อศพท่านเท่านั้นไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยทั้งนี้อาจเป็นเพราะคำโฆษณาประกาศเตือนอยู่เป็นพักๆ ก, ก็ได้หรืออาจเป็นเพราะมัน ญ, ญาติของท่านผู้เห็นภัยและคุณในขณะนั้นก็ยากแก่การสันนิษฐานอัธิท่าน ได้กลายเป็นพระาธาตในเวลาอันสั้นอัธิท่านที่ได้ทําการแจกจ่ายแก่ท่านที่มาในงานไปไว้เป็นที่ระลึกสักการะบูชาในที่ต่างๆมีมากต่อมากจึงไม่อาจทราบได้ว่าของท่านผู้ใดได้แปลสภาพจากเดิมหรือไม่ประการใดบ้างแต่เมื่อไม่นานมานี้ได้มีท่านที่ได้รับแจกอัธิท่านมาแล้ว อัธินั้นได้กลายเป็นพระธาตุสององค์และได้เชิญไปให้ผู้เขียนดูที่วัดอย่างประจักษ์หลังจากนั้นก็ได้ทราบจากหนังสือพิมพ์สีสัปดาห์อีกว่าอัธิท่านได้กลายเป็นพระธาตุแล้วก็มีที่ยังไม่กลายก็มีซึ่งอยู่ในพระอบอันเดียวกันจึงทาให้เกิดความอัศจในคุณธรรมท่านว่าท่านเป็นผู้บรรลุถึงแก่นธรรมโดยสมบูรณ์แล้วดังวงปฏิบัต เคยพากันคาดหมายท่านมาเป็นเวลานานแต่ท่านมิได้พูดออกหน้าออกตาเหมือนทางโลกปฏิบัติกันเพราะเป็นเรื่องของธรรมะจึงผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงสำรวมระวังให้อยู่ในความพอดีความผ่านพ้นทุกทางใจของท่าน การเวลาที่ท่านผ่านพ้นดงหนาป่ากิเลสและกองทุกข์ทางใจทั้งมวลไปได้นั้นท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังเมื่อพุทธศักราช4 8 6ว่าท่านผ่านไปแต่สมัยพักอยู่จังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่ทราบว่าผ่านไปกี่ปีแล้วท่านจึงได้กลับไปจังหวัดสกล น, นครจึงขอสรุปแต่ใจความว่าปีพุทธศักราชสองพ่าที่ท่านไปจำพรรษาที่วัดสุทาวาสกล น, นคร จนถึงพุทธศักราช 2,513 อันเป็นปีที่ท่านมรณภาพก็คงไม่น้อยกว่า 28-29 ปีจึงพอจับใจความได้ว่านับแต่วันจิตหลุดพ้นและครองขันด้วยใจที่บริสุทธิ์ตลอดมาจนถึงวาระ ส, สุดท้ายนับว่านานพอควรดังนั้นการที่อั ธ, ธิท่านสามารถกลายเป็นพระธาตุได้อย่างรวดเร็วในภายในไม่ถึงปีเต็ม จึงเป็นฐานะที่ควรเป็นได้ไม่มีทางสงสัยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่าที่ทราบมามีพระอาหารหันต์สมัยปัจจุบันอุบัติขึ้นที่นั่นถึงสามองค์คือท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านทั้งสององค์นี้เป็นองค์แรกท่านอาจารย์พรมและท่านอาจารย์อีกองค์ซึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นองค์ต่อมาส่วนจังหวัดอื่นๆทั้งภาคอีสานเช่นจังหวัดสกล น, นครเป็นต้น ก็มีพระประเภทอัศจรรย์ได้ครองธรรมบริสุทธิ์ไม่ด้อยกว่าจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนอกจากไม่มีใครทราบได้เท่านั้นเพราะท่านไม่เป็นนักพูดนักโฆษณาต่างท่านต่างรู้กันอยู่ในวงเฉพาะนักปฏิบัติเท่านั้นสถานที่นั้นหมายถึงป่าและเขาแห่งจังหวัดนั้นๆที่ท่านนักปฏิบัติไปอาศัยบาเพ็ญและได้บรรลุมรรคผลสมความมุ่งหมายอย่างเงียบๆไม่ค่อยมีใครทราบ ถ้าไม่นำเรื่องท่านมาเขียนไว้บ้างพอเป็นร่องรอยศา ส, สนาธรรมก็จะปรากฏแต่ชื่อแต่นามส่วนตัวจริงแท้จะไม่ปรากฏจึงได้ตัดสินใจเขียนลงในถ้ำกลางแห่งขวากนาำซึ่งน่าจะไม่พ้นจากความทิมแทงที่เกิดจากความขัดข้องสงสัยในแ ง, ง่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาการกล่าวทั้งนี้กล่าวด้วยความเชื่อสมรรถภาพของท่านนักปฏิบัติ ที่สามารถทำตนให้เป็นหลักจิตหลักธรรมอย่างมั่นคงและเชื่อถือตนได้อย่างตายใจหนึ่งกล่าวด้วยความเชื่อสวากขาตธรรมที่ประธานไว้ว่าจะเป็นสวากขาตธรรมอยู่อย่างตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมแห่งสมมุติทั้งหลายที่แสนปลิ้นปล้อนหลอกลวงประจำตนผู้เข้ายึดอาศัยไม่มีทางไว้ใจพอหายใจเต็มปอดตลอดมาหนึ่งกล่าวทางภาคปฏิบัต ปฏิเวทอันเป็นทางแสดงออกแห่งผลของการปฏิบัติว่าไม่เป็นโมคะด้วยเสียกำลังไปเปล่าไม่มีผลเป็นเครื่องสนองตอบแทนความเหนื่อยยากจากการปฏิบัติหนึ่งท่านอาจารย์ที่กล่าวถึงเหล่านี้เป็นอาจารย์ที่ทรงมัตข้อปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มภูมิไม่มีทางต้องติและเป็นอาจารย์ที่ควรทรงผลคือวิมุตติหลุดพ้นอย่างสมเหตุสมผล ตามธรรมะที่ประทานไว้จริงไม่ขัดแย้งกันท่านที่ยังเชื่อว่าธรรมะยังเป็นธรรมะอยู่ท่านอาจารย์เหล่านี้ก็ควรเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลด้วยข้อปฏิบตัติตามนโยบายแห่งธรรมะและอยู่คายแห่งปุญญาเขตได้อย่างไม่แคลงใจไม่ฝืนใจในการเขียนเรื่องท่านนำลงในหนังสือเล่มต่างๆและไม่แสดงใจท่านผู้อ่านทั้งหลายดังกล่าวมาที่นอกเหนือไปจากนี้ ท่านผู้ใดจะคิดเห็นอย่างไรนั้นขอมอบให้เป็นสิทธิของแต่และรายโดยไม่คอยื้อแย่งแบ่งส่วนด้วยเพราะธรรมมีบอกไว้ว่าสัตมีกรรมและผลกรรมเป็นของตนคนอื่นจึงไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องแย่งจริงจะผิดกับกฎแห่งกรรมข้อนี้ที่ประกาศไว้อย่างตายตัวมาแต่ดึกดำบันท่านอาจารย์องค์นี้ ได้เคยพูดความขี้ลาดไม่เป็นท่าของท่านให้ผู้เขียนฟังโดยกล่าวถึงสมัยบวชใหม่และคราวไปพักอยู่ในภูเขาจังหวัดเชียงใหม่ว่ากล่าวท่านบวชใหม่ยังไม่ได้พรรษาท่านไปเที่ยววิเวกในภูเขาแถบอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมขากลับจากเที่ยวท่านมาตามทางสายอำเภอนาแกที่ตรงไปจังหวัดสกล น, นครซึ่งแต่ก่อนไม่มีถนนแม้ทางล้อทางเกวียน และทางคนเดินเท้ารกรุงรังมากแทบมองไม่เห็นทางเพราะระยะทางที่ห่างจากอำเภอนาแกมาประมาณสี่กิโลเมตรเป็นป่าดงกว้างใหญ่รกชัดด้านยาวติดกับภูเขามีสัตว์เสือชุกชุมพอเรียกความหวาดกลัวจากคนขี้คลาดได้ไม่ยากเลยเพอเอิญพอท่านเดินทางมาถึงดงนั้นก็เป็นเวลาค่ามืดพอดีเทียนไขก็ไม่มีเหลือติดมาเลย ถ้าจะฝืนเดินทางต่อไปก็กลัวหลงทางเพราะแถบนั้นไม่มีบ้านคนทั้งทางก็รกชัดตีบตันปกคลุมไปด้วยป่าไม้ทั้งหลายไม่เหมือนทุกวันนี้ซึ่งไปที่ไหนเจอแต่บ้านและผู้คนแม้ป่าดงดังกล่าวนี้ก็ได้กลายเป็นบ้านเรือนนาสวนไปหมดแล้วจนไม่มีซากแห่งป่าเหลือหลออยู่บ้างเลยท่านจึงตัดสินใจพักค้างคืนในดงนั้น โดยปลีกออกจากทางไปเพียงเล็กน้อยแล้วก็แขวนกรดกับกิ่งไม้มือลูปคลาเก็บกวาดไปไม้แห้งแถ บ, บริเวณที่พักนั้นมารวมกันพอเป็นที่นอนได้เสร็จแล้วก็พักผ่อนและภาวนาต่อไปเวลาประมาณสามทุ่มซึ่งเป็นขณะที่ท่านกำลังนั่งทําสมาธิภาวนาอยู่ด้วยความหวาดระแวงเรื่องต่างๆ ขณะนั้นได้มีอีกแก้งตัวหนึ่งดอมๆเข้ามาที่บริเวณที่พักโดยไม่รู้ตัวพออีกแก้งโผล่หน้าออกมาก็มาเจอเอากรดกับมุ้งที่กลางและลดลงไว้อย่างมิดชิดพอดีเพราะความตื่นตกใจกลัวของสัตว์ที่มีนิสัยระแวงประจำตัวตลอดเวลาอยู่แล้วก็ ร, ร้องขึ้นอย่างเต็มเสียงเก่กคำเดียวพร้อมกับกระโดดชนป่าศีรษะโดนต้นไม้โครงครามดังสนั่นไป ท่านเองก็สะดุ้งตกใจสุดขีดจนเผลอตัวร้องออกมาเอิ้อกอากเช่นกันอีแกงตื่นเสียงคนวิ่งหูตั้งตาถลนป่าเลิกใบในขณะเดียวกันพอได้สติท่านนึกอายความไม่เป็นท่าของตัวจนอดขบขันหัวเราะตัวเองไม่ได้ว่าพระทั้งองค์แท้ๆออกบวช ด, ด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตายที่ไหนก็ยอมแล้วด้วยความปลงใจในธรรมะแต่ทําไมเพียงอีแกง้ง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าธรรมดามีใช่เสือหมีผีเปรตที่ควรจะน่ากลัวทั้งมันก็วิ่งหนีตายจนสุดขีดแล้วร้องออกมาด้วยความกลัวเราแท้ๆเพราะความตกใจไร้สติแต่เราเองซึ่งเป็นคนและเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์ยังตกใจกลัวมันแทบหัวใจหยุดตายทิ้งเปล่าๆไม่มีสติร้างใจถึงกับปล่อยความตำซามชนิดขายตัวและพระศาสนาออกมา ให้มันได้ยินอย่างถนัดชัดเจนจนมันวิ่งป่าเปิงไปไม่คิดชีวิตถ้าไอ้กเก้งตัวนี้มีความฉลาดพอทราบได้ว่าพระเป็นเพศที่เชื่อกรรมและเสียสละไม่ขี้คลาดหวาดกลัวเหมือนพระกรรมฐานองค์กําลังแสดงความกลัวตายอย่างสุดขีดไม่มีสติอยู่กับตัวเวลานี้มันคงนึกขบขันและกลับมาหวร เ, หเราะยาะเย้ยเราจนอับอายไม่มีหน้าพระเหลืออยู่เลยเป็นแน่แต่นี่มันเป็นสัตว์ พอนำชีวิตผ่านไปได้ก็หมดปัญหากันไปไม่สนใจว่าใครจะเป็นคนบ้าหรือคนดีอะไรต่อไปคราวท่านพักอยู่ในภูเขาจังหวัดเชียงใหม่นั้นท่านว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ติดใจในเหตุการณ์คือตอนเย็นราวบ่ายห้าโมงท่านลงไปส่งน้ำในคลองลึกที่อยู่ตีนเขาไม่ได้คิดนึกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเวลานั้น เพราะท่านเคยไปทุกเย็นแต่เฉพาะเย็นวันนั้นพอท่านเดินลงไปตามคลองแคบและลึกชันมากพอไปถึงตอนนั้นซึ่งเป็นคลองคดเคี้ยวและชันมากท่านก็โผล่ออกไปเจ้าหมีใหญ่ตัวหนึ่งก็โผล่มาจ่าเอะกันอย่างจังๆพอดีขณะที่ต่างคนต่างเจอกันอย่างจังๆไม่มีทางหลบหลีกเจ้าหมีใหญ่ตกใจกลัวกระโดดขึ้นฝั่งคลองชันน แล้วตกลงมาตกลงมาและพยายามโดดขึ้นตกลงอยู่ถึงสี่ห้าครั้งก็ไม่สำเร็จถึงได้สติวิ่งกลับทางเก่าแล้วหายไปส่วนท่านเองขณะนั้นจะว่ากลัวก็พูดไม่ถูกจะว่าไม่กลัวก็ผิดถนัดเราะทั้งสองฝ่ายต่างตกตะลึงงงงนันจนไม่มีสติรั้งใจด้วยกันตลอดจนการแสดงต่อเหตุการณ์ของทั้งสองฝ่ายในขณะนั้น บ่งบอกด้วยความกลัวตายอย่างชัดเจนไม่สงสัยคือฝ่ายมีก็กระโดดปีนขึ้นฝั่งและปีนปายด้วยความกลัวเต็มประดาฝ่ายท่านก็ยืนย่ำเท้าอยู่บริเวณ น, นั้นจนพื้นที่ที่เหยียบย่ำเหลวแหลกเป็นตมเป็นโคลนไปหมดราวกับเขาขยำดินเหนียวป้านหิดหรือทําภาชนะดินฉนั้นพร้อมกับพูดหลุดปากออกมาโดยไม่รู้สึกตัวว่าเอาเอาเอาไม่หยุดปาก พอมีใหญ่ตัวน่ารักน่าสงสารถึงใจวิ่งหนีไปแล้วท่านว่าท่านเลยเดินกลับที่พักด้วยความขบขันและสงสารมีใหญ่ตัวสารรู้สารดีนั้นเป็นกำลังท่านเองไม่ทราบว่าเหงือหรื อ, อยางตายออกมาเวลานั้นเปียกมาหาเปียกยิ่งกว่าลงอาบน้ำเป็นไหนไหนท่านว่าที่ท่านไม่เดินเลยไปส่งน้ำแอ่งหินที่เคยส่งนั้นท่านคิดว่าบางทีมีใหญ่ตัวนั้น มันโดดและวิ่งเสียจนอ่อนเพลียแล้วอาจไปลงนอนแช่น้ำในแอ่งยินนั้นเพื่อบรรเทาก็ได้เพื่อไปเจอกันเข้าอีกกลัวเหตุการณ์จะไม่เป็นดังที่เคยเป็นมาแล้ววันต่อไปท่านจึงไปส่งน้ำที่นั่นขณะเดินไปถึงที่มีกับคนจ่าเอกันจึงได้มีโอกาสตรวจดูสภาพของความกลัวตายประจำสัตว์โลกพอดูแล้วท่านว่า ท่านอดหัวเราะออกมาคนเดียวไม่ได้เพราะดูรอยหมีโดดปีนฝั่งคลองกับรอยท่านย่ำเท้าไปมานั้นราวกับรอยหมีสิบตัวแล้วรอยพระกรรมฐ า, านสิบองค์เล่นกีฬากันบริเวณนั้นแหลกเป็นตมเป็นโคลนไปหมดไม่มีชิ้นดีเลยดูแล้วทำให้วาดเสียวและสงสารหมีเป็นอารมณ์เครื่องระลึกเตือนใจอยู่จนกระทั่งวันท่านจากไปเพราะขณะที่พักอยู่ ท่านลงไปส่งน้ำทุกวันและเห็นร้อยคนและสัตว์แสดงความกลัวตายทุกวันตามธรรมดาสัตว์พันนี้โดยมากเมื่อเจอกันซึ่งๆึ่งหน้ามันมักจะกระโดดมาตะปบและกัดคนให้เจ็บและเสียท่าก่อนแล้วจึงจะโดดหนีไปการเจอคนระหว่างมีกับเสือหมีร้ายกว่าเสือต้องกัดคนก่อนแล้วจึงจะโดดหนีไป เสือถ้าถูกยิงเจ็บร้ายกว่าหมีฉะนั้นท่านจึงนึกหวาดกลัวในเหตุการณ์อยู่ไม่ไาวแม้ไม่เป็นอันตราย